ยังไม่สายที่จะถวายทองคําแม้โครงการผ้าป่าช่วยชาติได้ปิดไปแล้วแต่หลวงตาท่านยังรับบริจาคทองคําอยู่ท่านได้พิจารณาแล้วว่าทองคําที่มีอยู่ในคลังของชาติจะช่วยบ้านเมืองของเราให้มีเสถียรภาพมากขึ้นตามปริมาณที่มีประเทศทั่วโลกใช้เฉพาะทองคําเป็นตัววัดความมีเสถียรภาพของประเทศ จึงเป็นโอกาสดีของทุกคนรวมทั้งผู้ที่ยังไม่เคยทำบุญถวายทองคำกับหลวงตาเลยแม้แต่น้อยขณะนี้ก็ยังร่วมทาบุญทองคำกับท่านได้อยู่ส่วนเรื่องของการทำบุญด้วยเงินยังมีคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าหลวงตาท่านรวยแล้วมีคนบริจาคเงินให้ท่านมากมายซึ่งองค์ท่านก็พูดอยู่เสมอว่าเวลาเงินเข้ามาคนก็จะเห็นเพราะท่านประกาศออกทางสื่อต่างๆในศาลาบ้างทางอินเทอร์เน็ตบ้าง คนก็ได้รับรู้ยอดเงินที่มีคนมาทําบุญกับท่านกันอย่างแพร่หลายแต่เวลาท่านสงเคราะห์ออกไปนั้นน้อยคนนักที่จะรู้ยกตัวอย่างเช่นท่านช่วยสงเคราะห์สร้างอาคารทันทสถานหญิงที่แถวแถวลาดยาวกรุงเทพเป็นเงินสี่บล้านบาทมีใครเคยพูดกันบ้างไหมคนก็รับรู้กันแต่เวลาเงินทําบุญเข้ามาจึงเห็นว่าหลวงตารวยแต่ตอนที่ท่านจ่ายออกไปเช่นสี่สิบล้านบาทเนี่ยมีคนทราบไหม และยังมีที่ท่านไปร่วมช่วยสร้างโรงเรียนที่ปากน้ำโรงเรียนขาดงบอยู่4ล้านบาทตอนนั้นทางรัฐบาลไม่สามารถจะให้งบก้อนนี้ได้ก็มีผู้ร่วมบุญมาบ้างแล้วโรงเรียนก็ขอความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อทองวัดอโศการามว่ายังขาดเงินอยู่อีก1ล้าน8แสนบาทเพราะกราบเรียนหลวงตาท่านก็เมตตาท่านให้มาเลยทั้งจานวน1ล้าน8แสนบาทเป็นต้น นอกจากนี้แล้วในแต่ละวันก็ยังมีการสงเคราะห์อีกมากมายที่แม้แต่ลูกศิษย์หลวงตาบางคนก็ยังไม่เคยทราบเลยเป็นต้นว่าจะมีรถจากโรงพยาบาลต่างๆเช่นจากโรงพยาบาลอุดร อ, อุตรดิตจากวัดป่าต่างๆที่กันดารไกลๆที่ต้องการความอนุเคราะห์มารับเข้าสารอาหารแห้งน้ำมันและอื่นๆจากที่วัดจะต้องมีมาทุกวันหรื อ, อยังน้อยไม่ต่ำกว่าสามวันต่อสัปดาห์ ท่านก็มอบให้พระคอยดูแลและจัดเสบียงใส่รถพร้อมทั้งเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนเดินทางกลับเป็นการอนุเคราะห์ให้กับที่ต่างๆที่หลวงตา ม, มหาบัวท่านได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาร่วม50ปีแล้ว